สิการลืมตัวเรียกว่าประมาทวงเล็บเปิด 31. มีนาคม2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาที9วงเล็บปิดให้รู้ลงในกายนะคอยรู้สึกตัวอย่าลืมตัวอย่าเป็นคนลืมตัวลืมตัวไม่ใช่เป็นคนได้ดีแล้วลืมตัวนะอันนั้นกระจอกลืมตัวก็คือลืมกายลืมใจของเราเองนี่คือคนลืมตัวลืมตัวเรียกว่าประมาทปล่อยให้กายปล่อยให้ใจตายไปวันหนึ่งวันหนึ่ง โอกาสของเราที่จะพัฒนาคุณงามความดีให้จิตให้ใจตนเองน้อยลงทุกวันทุกวันเรามัวแต่เพลินกับโลกเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมทั้งหลายชีวิตเราสั้นลงสั้นลงทุกทีแล้วหลวงพ่อไม่เห็นว่ามีอะไรจำเป็นเท่ากับการมีสติรู้ลงในกายรู้ลงในใจนี้สตสญญิสัมปัญญะสัพปัญญะเป็นความเข้าใจเป็นตัวปัญญาสติเป็นตัวรู้ทันว่าอะไรผ่านไปผ่านมาอะไรเกิดขึ้นในกายรู้ทัน อะไรเกิดขึ้นในใจรู้ทันสำปัญญะหรือปัญญาเป็นตัวเข้าใจเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาเป็นเข้าใจตามความเป็นจริงคือเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นทุกข์ทุกอย่างบังคับไม่ได้คอยดูอยู่ในกายในใจจะเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งวันเลยอย่างร่างกายของเราสังเกตไหมนั่งดีๆก็ทุกข์นะถูกความทุกข์บีบขั้นอยู่ตลอดเวลา เราหายใจออกหายใจเข้าก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาที่ต้องหายใจก็เพื่อแก้ทุกข์นั่นแหละพอหยุดหายใจหรือเป็นหวัดหายใจไม่ออกก็ทุกนะหายใจออกลูกเดียวก็ทุกใช่ไหมต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกหายใจเข้าไปสักพักหนึ่งก็ทุกอีกแล้วต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกดูสิว่าร่างกายนี้มันถูกความทุกข์บีบคั้นขนาดนี้เราไม่เห็นนะไปประมาทัวเมาว่ามันเป็นของดีของวิเศษ ถ้ารู้ลงมามันทุกข์ล้วนๆเลยนะนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นอนยังต้องพลิกไปพลิกมาเลยเราเห็นเลยกายนี้มันทุกข์ล้วนๆเลยคอยรู้สึกอยู่ในกายก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์ล้วนๆถึงวันหนึ่งมันจะหมดความรักในกายนี้หมดความยึดถือในกายนี้พอหมดความยึดถือในกายจะเป็นพระอนาคามีนะเป็นภูมิของพระอนาคามีพระโสดาบานันพระสกิทาคายังยึดกายอยู่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 ปัญญาก็เข้าใจความเป็นจริงของกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะสติไปรู้จิตใจปัญญามันก็เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในจิตในใจจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วจะโลภจะโกรธจะหลงจะผ่องใสหรือจะเศร้าหมองอะไรก็ตามทั้งหมดไม่เที่ยงทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงดูจิตใจจะเห็นความไม่เที่ยงได้ชัดหรือดูไปอีกทีก็จะเห็นอนัตตาได้ชัด เราบังคับมันไม่ได้เห็นไหมเราเลือกไม่ได้นะอย่างเราฟังคนสองคนพูดคนนี้เราชอบคนนี้เราไม่ชอบพูดประโยคเดียวกันนั่นแหละความรู้สึกเรายังไม่เหมือนกันเลยเราเลือกไม่ได้นะไม่ใช่เดินๆอยู่คนตะโกนบอกว่าไอ้บ้าต้องโกรธใช่ไหมห้ามมันไม่ได้มันจะโกรธพอหันไปดูเป็นเพื่อนเราร้องทักทายเราธรรมดามันเรียกชื่อพ่อเราได้ซ้ำไปวันนี้มันเรียกเราไอ้บ้านี่สุภาพขึ้นเยอะแล้วนะ รู้สึกดีใจพริกจากโกรธเป็นดีใจจิตใจจะดีใจก็ห้ามมันไม่ได้คอยดูของจริงไปจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูไปอย่างนี้ร่างกายเราก็ดูไปว่ามันมีแต่ความทุกข์ล้วนๆอยากขี้เกียจ ด, ดูนะไม่ใช่ดูนิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับไปอยู่กับลมหายใจหรือไปเพ่งท้องพองยุบอย่างนั้นไม่เกิดปัญญาอะไรขึ้นมาให้รู้ลงในกายมากๆเห็นว่ามันมีแต่ความทุกข์บีบคั้นรู้ลงไปในใจเห็นแต่ความไม่เที่ยง ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลชั่วคราวหมดเลยมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้เราเลือกไม่ได้นะสั่งให้สุขมันก็จะทุกข์นะห้ามทุกข์มันก็จะทุกขนะ์ความสุขเกิดขึ้นแล้วสั่งให้สุขนา น, น, านมันก็ไม่สุขอีกมันอยู่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปพวกเรารู้สึกไหมความสุขสั้นแต่ความทุกข์ยาวเพราะเราไม่ชอบอันไหนเราชอบจะรู้สึกมันน้อยไปอันไหนเราไม่ชอบจะรู้สึกมันเยอะไป ใจเรานะมันบังคับไม่ได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันเปลี่ยนของมันเองหรือเปล่าไม่ใช่มันเปลี่ยนตามการกระทบเห็นไหมมันมีการกระทบก่อนตามองเห็นใจถึงเปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจถึงเปลี่ยนจมูกได้กลิน่นใจถึงเปลี่ยนยกตัวอย่างเรานั่งอยู่ตามลำพังเงียบๆได้ยินเสียงกรอบแกรบถ้าเรานั่งอยู่ตอนสว่างได้ยินเสียงกรอบแกรบเราก็แค่หันไปดูใช่ไหม จิตเราก็เฉยๆแค่สงสัยถ้าอยู่ในป่าเปรียวๆววกลางคืนวังเวงได้ยินเสียงกรอบแกรบกรบแกร บ, กร บ, กรบมันจะไม่ใช่รู้สึกสงสัยแล้วใจเราเลือกไม่ได้เห็นไหมเสียงอันเดียวกันนั่นแหละใจเรายังไม่เหมือนกันเลยในการได้ยินแต่ละครั้งหรือได้กลิ่นอย่างเราได้กลิ่นอะไรเน่าๆอยู่ในบ้านใจเราก็แค่กังวลใจหรือสงสัยตัวอะไรมาตายในบ้านเราลองมาอยู่ในวัดแล้วได้กลิ่นเน่าๆบรรยากาศเป็นอีกแบบหนึ่ง มันวังเวงใจมันจะเปลี่ยนทั้งๆ ท, ท, ที่กลิ่นเดิมนั่นแหละใจเราเลือกไม่ได้เลยมีแต่ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตามรู้ไปนะการที่เราคอยรู้ความจริงของกายของใจนี่แหละเรียกว่าวิปัสนาปัสนาแปลว่าการเห็นวิคือวิเศษจึงแปลว่าการเห็นอย่างวิเศษ คือการเห็นความจริงของกายความจริงของจิตใจเห็นความจริงจนกระทั่งใจมันคลายความยึดถือในกายในใจนี้ออกไปไม่ได้ยากอะไรเห็นไหมฝึกในชีวิตประจำวันก็ได้อย่างคนขับรถปาดหน้าเราใจมันโกรธก็รู้ว่าโกรธไม่ใช่รู้ว่าถูกปาดหน้านะอย่างนั้นคนอื่นก็รู้คนไม่ปฏิบัติก็รู้ใจเราเป็นอย่างไรรอคอยรู้ไปนะแล้วค่อยๆดูไปนะ อะไรที่เราไปติดไปคล้องไปยึดไปถือมันล้วนแต่ทำความเผ็ดร้อนให้เราทั้งนั้นเลยไปติดในทรัพสมบัติก็ทุกเพราะทรัพสมบัติไปติดในความคิดความเห็นก็ทุกเพราะความคิดความเห็นติดเพราะความถือตัวถือดีถือเด่นก็ทุกเพราะความถือตัวนั่นแหละอย่างคนถือตัวนะคนดังทั้งหลายนี่เดินไปไหนแล้วไม่มีคนรู้จักอย่างเมื่อเอินวันนั้นเดินไปที่ที่ไม่มีคนรู้จักก็จ่อยนะอย่างสมมติว่านายกเกิดไปเดินเดิน เดินไปชั่วโมงหนึ่งยังไม่มีใครทักเลยใจแป้วเลยนะนี่ไงเกียรติยศชื่อเสียงคนอื่นเขาให้ไม่ใช่ตัวเองให้อย่างเราให้ค่าตัวเองว่ากูเก่งกูใหญ่กูดังไม่มีใครรู้จักเลยหมายังแยกเขี้ยวใสซะอีกใจก็ฝอคือไม่รู้ว่าอะไรของโลกสมบัติทรัพย์สินนี่ของโลกนะชื่อเสียงเกียรติยศก็ของโลกโลกเขาให้คนอื่นเขาให้ไม่ใช่ของตัวเองหรอก ว่าไหนมันหลุดมือเข้าไปให้คนอื่นแทนก็ใจฝ่อเลยเราภาวนาเราจะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขจิตใจเข้าถึงความสุขความสงบฝึกเอานะหลวงพ่อได้แต่ชี้ชวนได้แต่บอกทางให้ที่เหลือต้องทำเอาเองพึ่งลำแข้งของตัวเองเดินจงกรมไว้พึ่งก้นของตัวเองอย่าพึ่งหลังมากนักหลังเป็นอวัยวะที่ใช้ตอนเมื่อการภาวนามันไม่ไหวแล้วมันเมื่อยแล้วค่อยนอนนะ พึ่งลมหายใจพึ่งร่างกายพึ่งมือพึ่งเท้าขยับไปคอยรู้สึกไปเรื่อยชีวิตเป็นของชั่วคราวหมดแล้วหมดเลยนะชีวิตถัดไปชาติถัดไปจะได้เจอาศาสนาพุทธหรือเปล่ายัางไม่แน่จะได้เป็นคนหรือเปล่าก็ไม่แน่นะชาตินี้ได้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วอย่าให้เสียโอกาส ต้องพัฒนาตัวเองให้ได้บอกให้จนไม่รู้จะบอกอย่างไรแล้วนะหลวงพ่อกล้า ย, ยืนยันเลยนะไม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหนสอนละเอียดเท่าหลวงพ่อส่วนมากท่านสอนชี้หลักๆให้ใจถึงถึงนะไปรูปๆคลํำๆหลายๆปีเข้าใจขึ้นมาคําหนึ่งทีนี้พอเรียนละเอียดแล้วก็อยากขี้เกียจละ่ะอย่าโม่แต่ภูมิใจว่าฟังหลวงพ่อมาเยอะแล้วเข้าใจธรรมะแล้วอันนั้นเป็นความจําใช้ไม่ได้ต้องดูของจริงไปมันไม่ได้ยากอะไรอย่าใจลอย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 รู้ลงที่จิตใจนะอย่าใจลอยไปอย่าเพ่งจิตใจรู้ไปมันดีบ้างร้ายบ้างสุขบ้างทุกบ้างหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปดูอย่างนี้ง่ายที่สุดเลยไม่เห็นจะยากเลยหลวงพ่อบางทีอยากถามเหมือนกันว่ามันยากตรงไหนทําไมมันภาวนากันไม่ค่อยจะได้